ดูการพิสูจทั้งหลายพระตถาคตย่อมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและย่อมปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุในราตรีใดย่อมตรัสบอกแสดงซึ่งพุทธพจน์อันใดในระหว่างนี้พุทธพจน์นั้นแม้ทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นแลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าเป็นทัตถาคตนะครับ คือเป็นผู้ที่มีคําพูดอย่างเที่ยงแท้แน่นอนจริงๆเลยนะครับคําพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะบทว่ายันจะพิกเวรัติงตถาคโตอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธฉติดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถ า, าคตเจ้าได้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดความว่าก็ในราตรีที่มีพระจันรเพ็นในวิสาขามาตใดนะครับคือวันเพนเดือนหก น, นะที่พระองค์ตรัสรู้นนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงถนามวา่าพระตถ า, าคตเนี่ยนะเพราะหมายคำว่าเสด็จมาแล้วอย่างนั้นเป็นต้นประทับนั่งบนบัลลังก์ที่ไม่มีใครพิชิตได้ที่ควงโพนะเขาบอกว่าเสด็จมาแล้วอย่างนั้นก็คือตั้งแต่ตั้งความปรารถนาหลังกสุมเมศบัณฑิตเป็นต้นมานะครับจนนั่งมา ร, ราชิพต บ, บัลลังก์ทรงทําลายศีรษะของมารทั้งสามคือกิเลตมารมัจจุมารพิสังขารมารเป็นต้นเนี่ยนะครับ ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมเพราะไม่มีญาณอื่นยิ่งกว่าคือพระสัพพัญญุตญาณพร้อมด้วยอาสวยายาัคยญาณอาสวัคยญาณได้แก่และครับอรหัตผลอรหัตผลและสัพพัญญุตญาณเนี่นะครับพุทธิยานครับทำไมญาณเออทำไมมารจึงมีสามเราหายไปนในที่ไหนสองก็ขันธมารพระองค์ก็ยังมีนะครับพระองค์ยังป่วยอนะเป็นต้นนะครับ บทว่ายันจะรับติงอนุปาทิเสสายานิพานธาตุยาปรินิพพยติและราตรีใดทรงปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสานิพานธาตุความว่า ก็ในราตรีที่มีพระจันทร์เพนในวันวิสาขะมาดนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานนาฏในระหว่างนางรังทั้งคู่ที่สารวโนทยานอันเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวมละในเมืองกุสินาราบทว่ายังเอตสเมิงอันตรีความว่าในถ้ำกลางระหว่างสัปปะิเสสนิพานนาฏและอนุปาทิเสสนิพานนา ทั้งสองอย่างนี้คือในปฐมโพธิการบ้างในมัชฌิมโพธิการบ้างในปชิมโพธิการบ้างในระยะเวลาประมาณ45ปีนี้นะครับ45ปีเนี่ยนะแรกตรัสรู้จนถึงปรินิพานเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถธรรมไว้แยกประเภทเป็นสุตตะเคยยะเวยากรณาคาถาอุทานิติวุตกาชาตกะอภูตธรรมเนี่ยนะ ด้วยสา ม, มารถแห่งการชี้แชงคือตรัสบอกด้วยอํานาจการทรงยกขึ้นแสดงทรงแสดงไขด้วยสา ม, มารถแห่งการจําแนกออกไปนะครับเป็นพระไตดปิฎกนี่แหละครับที่เห็นเน้นๆนะบทว่าสับพังตังตะเทวโหติแปลว่าพระพุทธพจน์นั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นเองความว่าพระพุทธพจน์ทั้งหมดคือที่มีองค์9้าเนี่ยนะครับ จะเรียกว่าเป็นปิดก3นิกาย5ก็ได้นะครับปิดกสนิกาย5องค์9หรือ8 4 0 0 0พันระธรรมคันเนี่ยนะที่ทรงแสดงไว้แล้วในระหว่างนี้โดยอัฏะและโดยพยัญชนะแล้วไม่มีที่หน้าตำหนิไม่บกพร่องไม่เกินบริบูรณ์โดยอาการทุกอย่างแล้วก็สัางจากความเมาคือราคะความเมาคือโทสะสัางจากความเมาคือโมหะนะครับเอานะถ้าโลภะเกิดสาธยายดูนะครับถ้าไม่สัง่งให้ดู นะครับถ้าโทสะเกิดนนะัษาทยายาทพไยวิดกดูนะครับถ้าไม่สั่งนะครับหายากนะครับโดยมากก็สั่งแล้วนะแค่นึกถึงพระพุทธเจา้าปั๊บเนี่ยที่จริงราคะโทสะโมหะก็สั่งไปทั้งเยอะแล้วนะครับแต่ชื่อใหญ่ๆก็ยังสั่งเลยนะฉันจะว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยทำให้สั่งจากความเมาด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะไม่มีข้อพลั้งพลาดแม้เพียงเท่าปลายขนสายในพระพุทธพจน์นั้น เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเหมือนสิ่งที่ประดับประทับด้วยดวงตาดวงเดียวกันเหมือนสิ่งที่ตวงด้วยธนานเดียวกันและเหมือนสิ่งที่ช่างด้วยเครื่องช่างอย่างเดียวกันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะตรัสสอนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดก็ยังประโยชน์นั้นให้สำเร็จแก่ผู้นั้นโดยส่วนเดียวนั่นเองครับ ก็สำเร็จประโยชน์แกสัพพสัตว์จริงๆนะครับผู้ที่ควรแก่โสดาสกาธาคานาคาอรหันทั้งหลายเนี่ยนะท่านก็ได้สําเร็จประโยชน์เหล่านั้นนั้นจริงๆนะครับบรรลุผลสมความปาถนาหมดนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธพจน์นั้นจึงเป็นของแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นน่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาฟังแล้วเขาได้บรรลุจริงๆนะครับเหลือแต่เรานี่แหละเราก็สะสมอุปนิสัยแล้วนะแต่นะ แต่เราเนี่แหละอ่านไม่จริงฟังไม่จริงปฏิบัติไม่จริงยังไม่เข้าถึงจริงอย่างเงี้ย น, นะเอาจริงจรดูที่อย่างเง้ย น, นะพาที่สุดได้อย่างเงี้นนะเอาไม่ค่อยจริงเอางีาด้ดิอยากให้อกุศลจิตเกิดเจ็ดวันนะให้คิดตามสติปัฏฐานเจ็ดวันไม่คิดเป็นอย่างอื่นเลยนะพระองค์บอกอนาคามีกับอรหันต์เอาสินะครับนะครับกลัวตาเหรอครับอืสาธุกลัวจริงจริงเตอ้อะ แต่แล้วปะฮิอะปะฮิต <c oughs> <c oughs> ัดตัดสะล่ะครับเป็นไงครับมีตนส่งไปแล้วอ่ะนั่นก็อัตตาอันะปะฮิอันะปะฮิตะบวกอัตตะนะครับนะปะฮิอ่อเท่ากับปะหิตัดตะนะครับนะมีตนส่งไปแล้วนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวอัตตาจนเกินไปนะครับแต่ถ้าอัตตาของเดรัจฉีเนี่ยน่ากลัวแต่อัตตาของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวครับ เพราะไรพระ อ, องค์บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะนะเธอทั้งหลายจงมีอัตตาเป็นเกาะมีอัตตาเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนะพระ อ, องค์ว่างนี่นะครับดูได้ในจั ก, กรวัตติสูตรเป็นต้นนะครับมีเยอะนะครับมหาปรินิพานสูตรก็มีนะครับสังยุตตินิกายก็มีถ้าอัตตาของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวแต่อัตตาของเดรถถัจฉีเนี่ย น, น่ากลัวนะครับก็แยกเอานะครับแต่ อัตตาเดียร์ถีควรกลัวแต่เฮ้มันกลัวจริงๆอะนะมันกลัวไม่จริงอีกนั่นแหละมันกลัวเป็นบางอย่างนะครับอัตตาไปสู่นิพพานเนี่ยกลัวแต่อัตตาพาไปอาบายเนี่ยไม่ค่อยกลัวนะครับต่อไปนะครับต่อไปว่าด้วยคํานี้นะครับด้วยคําว่าท่านแสดงว่าชื่อว่าพระตถาคตเพราะเป็นผู้มีปกติตรัสอย่างนั้นนะครับนี่ก็เกี่ยวกับการขยายสั์ การตรัสอย่างนั้นคือไม่ผิดพลาดมีอยู่แก่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตครัมีเป็นผู้ที่พูดไม่พลาดนะครับไม่ผิดไม่พลัง้งไม่พลาดเลยนะเพราะเพราะอะไรเพราะพูดแล้วสําเร็จประโยชน์จริงๆนะครับสําเร็จประโยชน์แก่สรรพสัตว์ได้ตรัสรู้บรรลุธรรมจริงๆแต่เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้นะครับพงยังไม่สนใจเลยนะสมมุติไนดะ้อย่างเช่นอ นางมาคันธยากับพ่อแม่นะครับพ่อแม่เนี่ยนะถ้าพระ อ, องค์ตรัสอย่างนี้แล้วจะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วตอนหลังออกบวชเป็นพระฐานหมดแต่ลูกจะตกนรกเลยนะพระองค์เนี่ยนะ น, นะครับไม่มนติการลูกเลยนะไม่ใส่ใจเลยนะครับใส่ใจแต่พ่อแม่ผู้ที่จะโปรดได้นะครับพ่านนั้นนะสาหรับลูกนี่ไม่สนใจเลยนะครับไม่เอามามาเป็นอารมณะปัจจัยให้อย่างอื่นเลยนะเทต่อไปนะครับว่า ดูการพิสูจนทั้งหลายพระตถ า, าคตตรัสอย่างใดทำอย่างนั้นทําอย่างใดตรัสอย่างนั้นเพราะเหตุดังนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถ า, าคตนะครับเราพูดอย่างที่ทำทําอย่างที่พูดนะบทว่ายะถาวาทีตถาการีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมมแก่ชนเหล่าอื่น ตรัตธรรมะเหล่าใดว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนตนําหนิที่บุคคลสมาทานครบท้วนแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับเพื่อความทุกข์เนี่ยนะพระองค์ทรงละธรรมะเหล่านั้นด้วยตนเองสัก่อนนะครับนะถ้าของมีโทษนะถ้าของมีโทษนะพงษ์ตำหนินะว่ามันเลวซ้ำอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ละก่อนได้แล้วนะครับ ส่วนธรรมะเหล่าใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญที่บุคคลสมาทานครบถ้วนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขธรรมะเหล่านั้นพระองค์เข้าถึงด้วยพระองค์เองอยู่แล้วโดยส่วนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อวัตสิ้นทุกจริงๆเนี่ยนะที่ยกย่องทั้งหลายเนี่ยพระองค์ปฏิบัติอย่างนั้นหมดแล้วเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า เพิงทราบว่าตรัสอย่างใดก็ทรงทำได้อย่างนั้นนะครับบทว่ายะถาการีตถาวาทีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิบัติชอบแล้วด้วยสา ม, มารถแห่งการยังศีลเป็นต้นให้บริบูรณ์ชื่อว่าทรงทำอย่างใดด้วยพระองค์เองก็ตรัสอย่างนั้นด้วยสา ม, มารถแห่งการยังผู้อื่นให้ดํารงอยู่ในธรรมะมีศีลเป็นต้นเหล่านั้นด้วยพระธรรมเทศนาะ อธิบายว่าพระวรกายของพระองค์นะครับของพระผู้มีพระภาคอนุโลมตามพระวาจาแม้พระวาจาก็ทรงอนุโลมตามพระกายเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเชื่อว่าเป็นผู้ตรัสอย่างใดก็ทรงทำอย่างนั้นและทรงทำอย่างใดก็ตรัสอย่างนั้นอันหนึ่งเมียธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นอย่างนั้นมีพระวาจาอย่างใดแม้พระกายก็ไปแล้วคือทรงเป็นไปแล้วอย่างนั้น และพระกายของพระองค์เป็นไปแล้วทรงธทมอย่างใดแม้พระวาจาก็เป็นไปแล้วคือเป็นไปแล้วอย่างนั้นนะครับนะดูการพิสูจนทั้งหลายพระตถาคตทรงครอบงำโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันใครใครครอบงำไม่ได้ทรงเห็นโดยท่องแทร่ ยังอำนาจให้เป็นไปเพราะเหตุนั้นบัณดิตจึงกล่าวว่าตถาคตอธิบายว่าบทว่าอาภิอาาภูอนภิภูโตวความว่าเบื้องบนจดภวะกพรมเบื้องต่ำล่างจดอเวจีนรกเป็นที่สุดด้านขวางในโลกธาตุหาประมาณไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครอบงำสัตว์ทั้งมวลด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศ น, นะ พระองค์น um, ี้ไม่มีใครช่างไม่มีประมาณไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้สมํ่าเสมอไม่มีผู้เสมอเหมือนไม่มีผู้เทียมไม่มีบุคคลเทียมไม่มีผู้เท่าไม่มีผู้เปรียบเทียบนะครับทรงเป็นพระราชาไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงเป็นเทพเหนือเทพทรงเป็นเท้าสักกะเหนือเท้าสักกะทรงเป็นพระพรหมเหนือพระพรหมเพราะเหตุนั้นนั่นเองจึงไม่มีใครทรงครอบงาำพระองค์ไม่มีใครท่วมทับได้นะ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงพนาว่าอาณพิภูโตเป็นผู้ไม่มีใครครอบงำได้นะครับอธิบายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งชื่อว่าเยะยะควรแนะนำคือควรรู้สิ่งนั้นทั้งหมดจะเห็นได้เหมือนมะขามป้อมในอุ้งมือเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทัศผู้เห็นนะครับ พุทธเจ้านี่เห็นหมดนะนะพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าวาสวัสดีเพราะทรงให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปในอำนาจด้วยทรงทราบอาสยะของเขาไม่ผิดพลาดนะครัะพงษ์นี้รู้อาสยะอนุสยะ จเดตอธิมุดเป็นต้นของสัตว์ทุกอย่างหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ดีว่า ง, งั้นแต่รู้มองเห็นใครสํานวนไทยๆก็บอกมองแล้วก็ทะลุไส้ทะลุ ป, ปอดอันเนี้ยในะแบบรูปร่างกายนะถ้านา ม, มากายด้วยนะความรู้สึกนึกคิดจิตสันดานทั้งหลายแลยเนี่ยรู้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนะครับเพราะฉะนั้นรู้อย่างไม่ผิดพลาดและด้วยทรง นำเขาให้ไปหาประโยชน์เกือ้อกูลไม่ได้รู้ไปไว้ตลบตะแลงหลอกลวงอะไรเขาลอกรู้แล้วก็หาเขาพาเขาไปสู่ประโยชน์นะนะทรงให้สังขารทั้งหลายเป็นไปในอำนาจด้วยสามารถแห่งการนำไปสู่ความเป็นอย่างอื่นตามภาวะนะครับ ทรงยังสมาบัติและจิตให้เป็นไปในอำนาจเพราะทรงประพฤติมาจนชำนาญโดยอาการทุกอย่างด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าทรงแสดงความที่พระองค์เนี่ยเป็นพระตถาคตเพราะมีความหมายว่าทรงครอบงำสัตว์ทั้งหลายนะครับครอบงำด้วยด้วยคุณธรรมทั้งหลายนะครับไม่ได้ไปกดขี่ให้เขาเจ็บช้ำน้ําใจอะไรหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าพระองค์นี้เหนือจากสรรพสัตว์ทั้งหมดนะไม่มีใครไปเปรียบเทียบพระองค์แล้วก็ไม่มีใครไปทําลายพระองค์อะไรได้สักอย่าง ในข้อนั้นเพิ่งทราบบทสำเร็จรูปดังต่อไปนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นเสมือนมียาขนานวิเศษจึงทรงพนามว่าอัคคะะมียาขนานวิเศษนั่นถามว่าได้แก่อะไรได้แก่ความงามแห่งพระธรรมเทศนาเทศ น, นาวิราชนะครับความงดงามความสวยหรูแห่งคำสอนนะครับและความหนานแน่นแห่งบุญ น, นะครับ อธิบายว่าด้วยเหตุนั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นจึงทรงเป็นผู้มีพุทธานุภาพมากทรงครอบงำสัตว์ผู้ใส่ร้ายทุกคนและสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกได้เหมือนหมองูปราบงูด้วยยาทิพย์ฉนั้นยาขนานวิเศษคือความงดงามแห่งพระธรรมเทศนาและความหนานแน่นแห่งบุญที่เป็นยาขนานที่แท้คือไม่ปลอมในการครอบงำรักษาสัตว์โลกนะครับของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอะ่ะ มีอยู่เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพิ่งทราบทรงพรนามว่าพระตถาคตนะครับคือมียาวิเศษที่จะรักษาสัตว์โลกให้พ้นจากวัตถุทุกได้นะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระตถาคตทรงครอบงำสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกนะครับหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดามนุษย์อันใครๆครครอบงำไม่ได้ทรงเห็น โดยท่องแท้ยังอำนาจให้เป็นไปเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับพระตถาคตทีนี้ท่านในคาถานะในคาถานี้ขยายพุทธคุณอย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้โลกทั้งหมดในโลกทั้งปวงด้วยพระปัญญาอันยิ่งตามความเป็นจริงนะครับโลกทุกชนิดนะที่จริงก็คือสรุปเนื้อหาในพระสูตรนั่นเองมาประพันธ์เป็นคาถาทรงพรากแล้วจากโลกทั้งหมด ไม่มีผู้เปรียบเทียบในโลกทั้งปวงส่งเป็นนักปราชส่งครอบงำมารทั้งหมดส่งครอบงำสังขารทั้งหมดส่งปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดได้ทั้งหมดนะครับความสงบอย่างยวดยิ่งคืนนิพพานซึ่งไม่มีภัยแต่ไหนไหนพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงถูกต้องแล้วกรวัาวเข้าถึงความสงบคือพระนิพพานอย่างแท้จริง พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ทรงมีอาสะวะสิ้นแล้วไม่ทรงมีทุกขทรงตัดความสงสัยได้แล้วนะครับพระคไม่ต้องถามใครอย่างนั้นทรงถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งหมดนะครับกรรมที่นําให้ปฏิสนธิในภพทุกชนิดตัดหมดทรงน้อมไปในธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิคือน้อมจิตไปในนิพพานอย่างเดียวอ่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นพระพุทธอะนะ พระพุทธพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเชื่อว่าเป็นสีหาผู้ยอดเยี่ยมนะครับทรงประกาศพรหมจักรแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกนะครับเพราะเหตุดังนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะย่อมมาประชุมกันนอบน้อมนำ้ำมการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระคุณใหญ่ผู้ปราศจากความครั่นคร้าม บรรดาบุคคลผู้ฝึกหัดอยู่พระพุทธเจ้าผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดออนะนะผู้ศาสนาสอนหรือขับเน้นเรื่องการฝึกหัดนะครับเรื่องการฝึกนะเพราะอะไรศาสถ า, าเทวมนุษสาสนาหรือว่าปุริสธรรมสารถีก็คื อ, ค อ, คอให้เน้นว่าประเสริฐได้เพราะการฝึกจริงๆนะครับไม่ได้ว่าเพราะตามเวียนตามกรรมตามล่องลอยไปตามกระแสน้ําไม่ใช่นะครับเพราะการฝึกนะครับการทวนกระแสนะครับเป็นเรียกว่าปฏิโสตะคามีนะเป็นผู้ปฏิบัติทวนกระแสนะครับ บรรดาบุคคลผู้สงบพระพุทธเจา้าผู้แสวงหาคุณผู้สงบแล้วนะครับเป็นผู้ประเสริฐสุดบรรดาบุคคลผู้พ้นอยู่พระพุทธเจา้าผู้ทรงพ้นแล้วเป็นผู้เลิศบรรดาบุคคลผู้ข้ามอยู่พระพุทธเจา้าผู้ทรงข้ามแล้วเป็นผู้ประเสริฐเพราะเหตุนั้นแหลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ผู้มีพระคุณใหญ่ ผู้ปราศจากความขั้นร้ามด้วยคิดว่าบุคคลผู้เปรียบด้วยพระองค์ย่อมไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะครับเอาใครไปเปรียบล่ะนะครับเอาอะไรไปเปรียบเนาะเพราะฉะนั้นอัตคถาอธิบายว่าโลกังอภินยายะความว่าทรงรู้ขันที่อยู่อาศัยในโลกธาตุทั้งสามนะสัพโลเกยะทาตตังความว่า ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรรู้ในขันเป็นที่อยู่อาศัยในโลกธาตุทั้งสามนั้นตามที่เป็นจริงคือไม่ผิดบทว่าสัพพโลกวิสังยุโตความว่าทรงพลากไปคือทรงพ้นไปแล้วจากโลกแม้ทั้งหมดด้วยการทรงละโยคะาสี่อย่างโดยไม่มีเหลือนะครับละโยค่ะนะกามะโยค่าเพราะว่าโยค่าเป็นต้นเนี่ยนะครับกําจัดไอเครื่องผูเครื่องมัดเ ค, เครื่องร้อยเครื่องรัดเนี่ยนะครับตัดชั่วด้วยพยานหมดเรียงเลยนะครับไม่มีเหลือเลย บทว่าอนุสยโยความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าไม่ทรงมีอนุอนุสยะกิเลสนะครับโดยอนุ อ, น อ, นอนุสยะกิเลสคือตัณหาและทิฏฐิที่ทรงเว้นจากอุสยะกิเลสนะครับเหล่านั้นในโลกแม้ทั้งหมดคือไม่มีตัณหาและทิฏฐิในโลกทั้งปวงนะครับรู้แต่ไม่มีกิเลสในโลกเหล่านั้นเลยเพราะเชื่อหมดแล้วนะบทว่าสัพพาพิธุความว่าผู้ทรงครอบงํำอารมณ์ทั้งหมดมีรูปเป็นต้น คือสังขารทั้งหมดได้แก่มานแม้ทั้งหมดแล้วดำรงอยู่บทว่าทีโรได้แก่ผู้พร้อมด้วยปัญญาเครื่องทรงจำนะทีโรเนี่ยนะผู้มีปัญญาเครื่องทรงจํานะครับจำไหมทีโรทีโรบทว่าสัพพะคันหับปโมจโนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเครื่องกิเลสมีกายคันทะคืออภิชาเป็นต้นทั้งหมด เสด็จดำรงอยู่แล้วชื่อว่าทรงเปลื้องกิเลสคือขันธ์ทั้งหมดออกไปได้เพราะทรงเปลื้องกิเลสเหล่านั้นออกจากสันดานของเวนยศัตว์ด้วยพระธรรมเทศนาที่ไพเราะของพระองค์คือพระองค์เนี่ยนะครับเปลื้องพระองค์ออกจากกิเลสทั้งหมดแล้วก็เปลื้องคนอื่นด้วยนะครับเปื้องผ้าระยะทั้งหลายได้ด้วยบทว่าปรมาสันติความว่าอันสงบ อยงยอดยิ่งได้แก่พระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัมผัสแล้วด้วยการสัมผัส ด, ด้วยยาณะนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าพระนิพพานจะมีภัยมาจากไหนไม่มีภัยนะครับสงบจากชาติภยัยชราภายัยพยาธิมรณโะโศกวัตตะภัยกิเลสภัยกันดานภัยทุกชนิดหมดนะครับนิพพานเนี่ยสงบจากภัยจริงๆนะครับถ้าได้เห็นในเะยี่ยมเลยเนาะ อีกอย่างหนึ่งบทว่าประมาสั้นติได้แก่ความสงบอย่างยอดเยี่ยมถามว่าความสงบอย่างยอดเยี่ยมนั่นนะคืออะไรก็คือพระนิพพานก็พราะเหตุที่ในพระนิพพานจะมีภัยมาแต่ไหนฉะนั้นพระนิพพานนั้นพระองค์จึงตรัสว่าจะมีภัยมาแต่ไหนนะครับไม่มีภยัยไม่มีทุกข์ทั้งหมดนะครับสิ้นทุกข์ทั้งมวลบทว่าวิมุตโตอุปทิสังขเยความว่าทรงหลุดพ้นด้วยผลวิมุติที่มีพระนิพพานนั้นเป็นอารมณ์ นะครับในพระนิพพานกล่าวคือธรรมะเป็นที่สิ้นปลายแห่งอุปธิหมายว่าผ ล, ลจิตของพระองค์เนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับหลุดพ้นทั้งหมดเลยนะบทว่าสีโหอนุตโรความว่าพระธรรมคตเจ้าทรงพระนามว่ายอดสีหะนะครับเพราะหมายความว่าทรงอดกลั้นอันตรายทั้งหลายและเพราะความหมายว่าทรงฆ่ากิเลสได้นะครับคือสีหะเนี่ยอดกลั้นและฆ่านะครับพระองค์ก็ชื่อว่าสีหะเหมือนกันอดกลั้นอันตรายทุกชนิดและก็ฆ่ากิเลสทั้งหมดนะครับ บทว่าจักกังได้แก่ธรรมจักบทว่าปวัตตินะครับทรงหมุนคือแสดงพระธรรมจักรให้ได้สามรอบมีอาการสิบสองนะครับมาดูธรรมจักรกับปวัตนาสูตรก็พวกเทวดาทั <g> ้งหลายมาชื่นชมบอกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะพากันนมำสการพระธถรมคตเจ้าพระองค์นั้นผู้ชื่อว่า มีพระคุณอันทรงประกอบด้วยคุณความดีมีศีลเป็นต้นมากมายนะคล้ายๆก็นอบน้อมพระองค์นะครับผู้ชื่อว่าปราศจากความคลั่นคล้ามเพราะทรงประกอบด้วยธรรมะที่ทรงทําให้แก้วกล้าสอย่างนะพระองค์มีจัตุเวสารัชยานทั้งสี่พงเลยไม่ครั่นคร้ามพระองค์เป็นผู้แกล้วกล้าบัดนี้เมื่อจะแสดงถึงสัมมาสัมพุทธะนะครับแสดงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น พากันเอ่ยถึงพลางน้ำมัสการไปพลางสมัยก่อนนะครับเขาพูดถึงเขายกมือไหว้ด้วยนะครับแต่สมัยนี้ไม่เป็นยังไงแล้วนะครับเขาคิดถึงอาจารย์เขาก็พูดด้วยยกมือไหว้ด้วยนะก็เลยห่าง ก, กันกับภาษาสดาเยอะนะครับอันนี้ก็จบข้อความในอัตถกาลโลกสูตรที่สิบสานะครับจบคำภีอิติวุตต ะ, ต ะ, ตะทีนี้อวสานคาถานะครับของพระธรรมปาลท่านพันนาว่า พระอริยเจ้าทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายคือพระอรหันต์ห้าร้อยมีพระมหากัสปะเป็นต้นเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญในอภิญญาหกประการผู้แตกชันในปฏิสัมพิธาสีผู้รับทุระาศาสนาร้อยกรองพระธรรมวินัยไว้ในปางก่อนได้รวบรวมพระสูตรหนึ่งร้อยสิบสองสูตรไว้ที่พระมเหสีคือผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นะครับสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรม มิสราธิบดีในแผ่นดินทรงเห็นแจ้งทั้งธรรมะทั้งโลกผู้ทรงทราบวิธีแสดงธรรมแก่เหล่าสัตว์ผู้ควรจะรู้พระธรรมทั้งหลายผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งมวลทรงอาศัยเหตุนั้นเหตุนั้นแล้วทรงสรแสดงไว้โดยแยกประเภทเป็นเอกานิบาต ท, ทุกตะติกะจตุกานิบาตตามประเภทธรรมะที่กล่าวไว้ว่าอิติวุตกะนั้นใด เพื่อจะประกาศเนื้อความแห่งอิติวุติกะนั้นการสังวรณ น, นาเนื้อความอันใดที่ข้าพเจ้าคือพระธรรมปาละจารเนี่ยนะครับได้ปรารลดีแล้วโดยได้อาศัยในยะแห่งอัตกถาเกา่าการสังวรณนานนั้นโดยชื่อแล้วชื่อว่าประมัติทีปนี้นะครับนะประทีปสองพระประมัติธรรมนะครับโดยเฉพาะพระนิพพาน น, นะเป็นเครื่องประกาศประมัติธรรม ในพระสูตรทั้งหลายในอิติวุติกะนั้นตามสมควรไม่มีการวินิจฉัยค้างไว้นะครับคือสมบูรณ์หมดนะครับถึงความสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วโดยภาณวาระแห่งพระบาลีประมาณ38ภาณวาระนะครับหนึ่งภาณะวาระก็คือเท่ากับสวดจบหนึ่งครั้งนะครับก็สวด38จบนะครับจึงจะครบรอบนะก็พักหายใจ38รอบนะครับ ด้วยเหตุดังนี้ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าพูดแต่งอัตถกานั้นได้รับแล้วขอสัรพสัตว์จงยังพระศาสนาของพระโล ก, กนาถให้สว่างสวัยไปด้วยข้อปฏิบัติมีศีลเป็นต้นที่บริสุทธิ์จงเป็นผู้มีส่วนแห่งวิมุติรสขอพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตอยู่ในโลกตลอดจิรการขอสรรพสัตว์จงมี ความเคารพในพระาศาสนานั้นตลอดการเนืองนิดแม้ฝนก็ขอจงตกต้องตามฤดูกาลขอท่านผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินผู้ยินดีในพระศัทธรรมจงปกครองโลกโดยธรรมเทินนะครับอัตตะทายอิติวุตกะที่ข้าพเจ้าพระธรรมปาลาจานวัฒ่าพุซาได้แต่งจบลงแล้วด้วยประการชนนี้แลนะครับนี้ก็จบข้อความในคำภีอิติวุตกะ เพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมอนุโมทนาส่วนแห่งกุศลทั้งหลายที่ร่วมเรียนร่วมฟังร่วมศึกษาด้วยกันนะครับขอทิศส่วนกุศลเหล่านี้ให้แก่สาวสาสัทธ์ทั้งหลายขอให้สาวาสัท์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขทุกคนทุกท่านเทิด